เรื่องของการเกิดใหม่ในเรื่องของพิมวดีเนี่ยอาจจะทำให้คนสงสัยอยู่ตอนหนึ่งก็คือที่พิมวดีบอกว่าพ่อหนูจะไปเกิดแล้วนะชาติหน้าหนูจะเป็นเด็กผู้ชายนะคนก็ได้สงสัยว่าเอ๊ะแล้วตอนที่เป็นพิมวดีอยู่เนี่ยไม่ถือเป็นการเกิดเหรอ เขาเกิดตั้งแต่เขาเสียชีวิตตอนที่เป็นเด็กที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยที่ตึกเด็กอะไรเนี่ยนั่นก็เกิดแล้วนะครับเพราะมันไม่มีขีดขั้นความจริงเรื่องของภพชาติเนี่ยมนุษย์ติดที่บัญญัติเราจึงสับสนผมถามว่าชาตินี้ของท่านเนี่ยท่านนับตอนไหน คำว่าชาติของทุกคนเริ่มต้นที่ไหนวันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ถูกไหมครับวันเกิดของเราเนี่ยเขานับวันไหนวันที่เราคลอดแล้วก็บันทึกเอาไว้ในสูจิบตรแล้ววินาทีก่อนที่ท่านจะคลอดละ่ะท่านอยู่ที่ไหนอยู่ในท้องแม่แล้วท่านนับก่อนหน้านั้นออกไปอีกเก้าเดือนท่านก็ยังอยู่ในท้องแม่ แต่ตรงนี้ไม่ได้นับเฉยๆซึ่งก็ยังเป็นตัวเรานี่แหละถ้าเป็นท่านก็ถึงเป็นท่านนี่แหละแล้วท่านนับต่อไปอีกก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในท้องแม่ละ่ะอีกวินาทีหนึ่งเนี่ยท่านจะพบว่าท่านเพิ่งตายจากชาติที่แล้วแล้วก็นับต่อไปอีกวิธีการนะครับเพื่อใจให้เห็นความจริงเนี่ยให้เอาปาร์ติชันออกจุดที่กั้นเนี่ยเอาออก ความจริงมันไม่มีอยู่อิริยาบทยืนเดินนั่งนอนจริงๆก็ไม่มีมันเป็นการเปลี่ยนไปของกายเฉยๆแต่พอเราไปเรียกยืนเดินนั่งนอนปั๊บมันเกิดเป็นอิริยาบทต่างๆขึ้นมาเหมือนกลางคืนกลางวันเมื่อเราใส่ค่าตั้งปฏิทินเนี่ยมันก็จึงเกิดเป็นการเวลาขึ้นมาทั้งๆที่ มันไหลไปเรื่อยๆชีวิตเหมือนกันนะครับถ้าเอา partition ออกเราจะเห็นว่ามันไม่มีขีดขั้นนะอยู่ในท้องแม่ตายชาติที่แล้วชีวิตชาติที่แล้ววินาทีที่มาปฏิสนธิแล้วก็ตายชาติแล้วก็ไปเจอตายชาติที่แล้วต่อไปอีกเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเนี่ย แล้วมันจะหาต้นไม่ได้เลยที่พู้เจ้าใช้ในคืนก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยที่ผมจาชื่อยานไม่ได้แล้วนะครับในยานที่ในยามทีะท่านดูการเกิดของสัตว์โลกทั้งหมดที่เป็นกฎแห่งกรรมมันหาต้นไม่ได้แล้วพ็ใช้ยานอย่างรู้ดูไปนอนาคตมันหาปลายไม่เจอ ทุกคนไม่รู้เริ่มต้นตอนไหนมันไกลมากแล้วก็หาปลายไม่เจอชีวิตของเราต้องเกิดดับต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะเหตุเกิดของท่านไม่เคยถูกจับการมันจึงท่านจึงตัดว่าวัตะสงสารเนี่ยมันหมุนวนเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีหัวไม่มีท้าย ท่านมีทางออกทางเดียวคืออริยมรรคมีองค์แปลแล้วก็นานๆถึงจะมีโบนัสมาครั้งหนึ่งบนโลกใบนี้แน่นอนที่สุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีมาตรสรู้อยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีชาติชราและมรณะบนโลกไม่ใช่โลกใบนี้นะครับโลกใบนี้อีกไม่นานก็แตกแต่ภูมิทั้งหลายก็ยังเกิด โลภะโทสะโมหะตราบใดก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะโลกนี้โลกไหนดวงไหนจักรวาลไหนโลภะโทสะโมหะไม่เคยหายไปไหนจากสัตว์โลกดังนั้นเหตุเกิดยังมีอยู่ตลอดเมื่อมีเหตุเกิดก็จะต้องมีผู้ที่มีบา ร, รมีพอที่จะหลุดออกมาแต่มันานานๆนครั้งแล้วการมาของท่านการอุบัติของท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมีใครได้มาพบแม้หกพันล้านคนมีคนได้ยินก็แค่นิดเดียว เพราะฉะนั้นหากเราจะทำความเข้าใจเราเอาขีดขั้นออกเราก็จะพบการที่ชาติที่แล้ววินาทีการเกิดแล้วก็ถัดไปก็คือวินาทีการตายมันเหมือนอย่างนี้เลยนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมเป็นมนุษย์เดินอยู่เนะี่ยอันนี้คือเส้นจบ คือวันตายพรูว่าผมเกิดใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นคนเราที่กลัวตายเนี่ยเราเข้าใจผิดญาติเราที่เสียชีวิตเนี่ยวินาทีที่ก็เกิดใหม่่ะเพราะมันไม่มีขีดขั้นไม่เกินสองขณะจิตจิตเปลี่ยนภพภูมิเลย ไปสร้างใหม่เลยเพราะฉะนั้นเหมือนกับเราเดินถ้าท่านเอาภพภูมิเอาชาติออกนะเอาสิ่งที่ท่านตั้งปฏิชาเอาไว้เนี่ยที่กั้นไว้ออกให้หมดมันจะเหมือนท่านเดินเข้าห้องแต่งตัวตอนเช้าแล้วเปลี่ยนชุดท่านเปลี่ยนชุดช้ากว่าการเปลี่ยนภพภูมินะวันนี้ท่านแต่งตัวเป็นมนุษย์แล้วท่านเดินพวกเปลี่ยนชุดสุนัขออกมาเลย ออกไปสักพักนึงเข้าไปเปลี่ยนชุดพวกใส่ชุดเทวดาออกมาเลยอันเร็วอย่างนั้นไม่มีขีดขั้นเพราะสองชาติตัดว่าหนึ่งลัดนิ้วมือจิตเกิดดับแสนโกรธขณะแสนโกรธขณะคือเขาว่าประมาณกันนะสี่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีเร็วมากสี่ล้านล้านครั้งไฟนี่กับพิพาพันครั้งต่อนาทีก็ยังดูไม่ออก ถ้าสี่ล้านล้านครั้งต่อวินาทีนะีแต่การเปลี่ยนภพภูมิใช้เวลาแค่สองขณาดจิตสองในสี่ล้านล้านครั้งนะเพราะฉะนั้นหนึ่งวินาทีเราบอกเร็วอะรถแข่งเขาวิ่งกันหนึ่งส่วนพันของวินาทีแต่นี่คือสองส่วนสี่ล้านล้านนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนภพภูมิท่านเร็วมากนะครับเร็วจ น, นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยผมถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรหรือมันเป็น เป็นการไหลเลื่อยของชีวิตของคันห้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราเอามาดูกันภาพกว้างๆเนี่ยในวันหนึ่งตอนที่เราก็เห็นแล้วว่าผลมาจากเหตุแสดงว่าที่เราโกรธขนาดที่เราโกรธ ถ้าร่างกายเราเนี่ยมันทรานส์ฟอร์มมันเปลี่ยนแปลงได้เรียลไทม์เนี่ยท่ามานั่งคุยอยู่เรื่องพระภูมิเพราะท่านจะเห็นเองเพราะมันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อวานเราเห็นตอนที่เขาทดลองตอนที่หมอโดนตั้งคาถามให้ลบเลขคุณจะเห็นว่ากายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ดูไม่ออกจากข้างนอกมากนัก แต่ก็พอดูได้ทีนี้ถ้าท่านกโกรธแล้วโกรธมากหลายคนอาจจะเคยโกรธมากแบบมือไม้สั่นหน้าแดงเหงื่อแตกแค้นมากเลยโ้ยโดนทำยามมันเกลียดกันแบบนี้อาจจะโกรธมากโทสะที่เข้าประกอบจิตตอนนั้นเนี่ยส่งผลถึงกายถ้าเป็นกราฟตอนนั้นจะกระชากกระชากยิ่งกว่าลบเลข ท่านทราบไหมครับว่ากายของท่านเนี่ยคือจิตของท่านตอนนั้นเป็นสัตว์นรกไปแล้วภูมิของจิตเป็นสัตว์นรกไปแล้วถ้ากายเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนเป็นสัตว์นรกทันทีท่านดูอาการก็รู้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแต่โชคดีของทุกคนคือกายหยาบเนี่ยมันมีอายุของมันอายุของมันตอนนี้มันอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าปีบวกลบจิตเปลี่ยน จิตเปลี่ยนไปอยู่ในภูมิของสัตว์นรกล้วที่ท่านกําลังโกรธมากกายของท่านกําลังจะเปลี่ยนตามแต่มันเปลี่ยนไม่ได้แต่พ บ, พบสังเกตไม่ว่าเวลาท่านโกรธท่านพูดกับคนข้างๆสมมติว่าท่านทะเลาะ ก, กับแฟนทะเลาะ ก, กับใครก็แล้วแต่แล้วไปทํางานท่านจะบอกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรไป ขวางกูขวางตาไปหมดเลยใครมาแย่ท่านนิดนึงท่านระเบิดแตกเลยท่านชวนทะเลาะเลยหมุดหงิดอ้องสัยเลยเพื่อนอะไรวะทุกทีทุกวันก็แย่กันวันนี้แย่นิดเดียวโกรธจัดเลยเพราะพบที่ท่านอยู่ตอนนั้นเนี่ยเป็นภพของสัตว์นรกแต่ท่านดูไม่ออกทั้งทั้งที่มันอยู่ต่อนหน้าต่อตา เมื่อจิตเป็นสัตว์นรกพบทั้งหมดภาพที่เห็นทั้งหมดจะเป็นภาพที่สัตว์นรกเห็นท่านถึงขวางหูขวางตามนุษย์ไปหมดท่านอยู่ผิดที่วินาทีนั้นถ้าท่านตายทันทีจิตจะไปที่ชอบที่ชอบเลยมือที่จุ่มน้ำร้อนอยู่ผมถึงบอกว่าถ้ามันเปลี่ยนกะละมังมันจะไปที่เดิมที่ที่มันเคยคุ้นที่สุด หลักการตักกะง่ายๆเลยถ้าท่านบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ใช่ดูใหม่นะผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายขอแต่งงานรักกันหวานชื่นดูดดื่มวันที่แต่งงานให้แหวนเพชรมาวงหนึ่งผู้หญิงปลื้มน้ำลายเอ้ยน้ำตาไร พูดความจริงอีกแล้วริ่มน้ำตาไหลเลยนะกระหนุงกระหนิงกันยังมีความสุขนอนดูดวงจันทร์สิบห้าค่ำมันพ่องใสสวยสดงดงามนอนคุยกันกระดุกกระนิงกระหนุงกระหนิงชวนไปทานดินเนอร์ก็โอ้โหดินเนอร์แสนอร่อยจริงๆใจมันเบิกบานอีกสามเดือนถัดมา จับได้ว่าแฟนไปมีผู้หญิงอื่นทะเลาะ ก, กันเข้าได้เข้าแบบเต็มที่เลยหันมาเห็นแหวนเพชรทีไลเนี่ยมันอยากจะคว้างให้มันไกลมันติดว่าทองมันแพงมากตอนนี้ทีนี้มันก็เลยทุกครั้งที่เห็นแล้วมันปีตดขึ้นเลยลก็ต้องเก็บแล้วก็ใส่ลิ้นชักเข้าไปลึกๆแล้วปิดปิดลิ้นชักเลยไม่ขอเห็นอีกแล้วเห็นทีไรใจมันเดือดแค้นขึ้นมา ผมถามว่าแหวนเพชรเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้มันเคยเปลี่ยนไปหรือเปล่าใจคนดูเปลี่ยนและทุกครั้งทําไมวันแรกตอนมองแหวนเพชรมันถึงดูมีความสุขไปหมดอะไรอะไรก็กินอร่อยแต่หลังจากนั้นทุกครั้งที่เห็นแหวนเพชร ใจมันขุ่นมัวอะไรก็กินไม่ลงล่ะเพราะว่าภูมิของท่านเป็นสัตว์นรกอาหารของสัตว์นรกไม่ใช่อาหารแบบที่เรากินกันมันเป็นโทสะขีคือไฟโทสะสัตว์นรกกินไฟโทสะมันจึงต้องการโกรธท่านจึงโกรธไม่หยุด เพราะมันต้องการอาหารอาหารของสัตว์นรกภาพที่ท่านเห็นทั้งหมดมันจึงขวางหูขวางตาเพราะว่ามันเป็นภพของสัตว์นรกท่านอยู่ผิดที่ท่านจึงไม่คุ้นกับโลกใบนี้โลกใบนี้มีไว้ให้มนุษย์อยู่แต่มนุษย์ด้วยจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทั้งวันมนุษย์จึงเปลี่ยนภพภูมิทั้งวัน เมื่อกายไม่สามารถเปลี่ยนได้มันจึง ถ, ถูกสั่งสมเอาไว้ที่จิตวิญญาณวิญญาณเป็นนามธรรมก็จริงแต่กรรมทั้งหมดถูกฝังไว้ในวิญญาณจึงเรียกว่ารูปสุขขุมถ้าอุปมาให้พอจะเข้าใจ ท่านที่ฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไปก่อนนะครับมันต้องไปรูปพูดกันถึงเรื่องของขันห้าก่อนแล้วก็ลงลึกไปกว่า น, นั้นอีกหน่อยแต่ฟังไปก่อนมันจะเหมือนอากาศท่านเห็นอากาศก็ไม่มีอะไรแต่พอขยายอากา ศ, า อ, ากาศออกหลายๆพันเท่าท่านจะเห็นฝุ่นละอองเต็มไปหมดเลยในวิญญาณเหมือนกันเมื่อท่านขยายนมามธรรมคือวิญญาณที่ออก ท่านจะเห็นเม็ดเม็ๆ็เมเม็เม็มมมมที่เป็นมนลภาวะอยู่ในวิญญาณที่เป็นนามธรรมส่วนนี้จึงเรียกว่ารูปสุขุมซึ่งรูปสุขุมนี้คือการเก็บเอาไว้ของกรรมทั้งหมดซึ่งจะติดตัวทุกๆคนไปนี่คือสาเหตุที่ทำให้หมออาจินต้องรับกรรมที่นายราชมันเป็นคนกอ่อพระเจ้าจึงได้ตรัสว่า พวกเรามนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลา ย, ยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทีนี้ถ้าเราเริ่มเอาพาดิชั่นออกเราจะเห็นว่าหมออา จ, จินแล้วก็พอเปลี่ยนปั๊บเอาพาดิชั่นออกมันจะเป็นนายราชมันถ้าเอาชื่อออกมันจะกลายเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ที่สืบเนื่องกันมาโดยมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วสิ่งสิ่งหนึ่งอันนี้ก็คือขันห้าที่มีเหตุเกิดมาเรื่อยๆไหนหมออา จ, จินไนนในราชมันเราใส่ชื่อเข้าไปเองแล้วเราเลยงงเองมันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องสืบมาเรื่อยๆ แล้วมันไม่มีต้นไม่มีปลายแล้วงานนี้พอเราใส่ชื่อมันจึงกลายเป็นหนึ่งคนหนึ่งคนจริงๆไม่ใช่เพราะเราไปใส่เราขึ้นมาเองวันไหนก็ตามที่เข้าใจรูปนามแล้วก็ถอดถอนความเห็นผิดในความเป็นตัวตนท่านจะเห็นสภาพทุกอย่างไหลไปเรื่อยๆแล้วไม่มีที่สุด วันนี้ถึงต้องมาถอดถอนหากใครไม่ได้เห็นโทษภัยอีกก็เดินหน้าต่อไปไม่ต้องห่วงท่านได้สิทธนั้นแน่เพราะสิทธนั้นมีอยู่แล้วแต่ถ้าใครเริ่มเห็นโทษภัยในวัตฏะสงสารหาปลายไม่เจอเลยล่ะเนี่ยจะไม่เป็นไรหรอกฉันเกิดฉันก็มีความสุขดีชาตินี้ฉันก็มีความสุขชาติหน้าไม่แน่นะ วันหนึ่งทําแต่กุศลเหรอชีวิตนี้ทำแต่กุศลใช่ไหมไม่เคยโกรธเลยนะไม่เคยโลภเลยแล้วก็ไม่เคยหลงด้วยใช่ไหมเพราะว่าหลงพาไปเป็นเดรัจฉานโกรธสัตว์นรกโลภเป็นเปรตส่วนสติวันนึงมีเท่าไหร่ละ่ะให้มาฝึกสติรู้ลมเดินจงกรมเนี่ยรู้สึกอึดอัดไปหมดสแสดงว่าไม่ใช่สิ่งที่ท่านคุ้นเลย ถ้าภูมิต่ำกว่ามนุษย์จะไม่คุ้นกับเรื่องพวกนี้นะครับแสดงว่าหรือว่าเราไม่ใช่มนุษย์หรือปกติเราอยู่ต่ำกว่านี้ชาตินี้จึงไม่คุ้นกับสิ่งพวกนี้เลยทาไมนั่งอึดอัดไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาสั่งสมมาดีๆทำไมเขานั่งเงียบหมดไม่มีใครอึดอัดข้างในเลยทุกคนกลับมีความสุขมากที่ได้มาเข้าคอร์สแสดงว่าเขาตรงภูมิ แสดกว่ามีบางคนไม่ตรงภูมิเลยนั่งนี้นั่งไม่ได้มันร้อนไปหมดเลยอยากจะลุกออกลุกออกเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะจิตเนี่ยปรับฐานได้ปรับตัวเองได้เหมือนการจุ่มอยู่ในน้ํำร้อนน้ําอุ่นก็จริงช่วงแรกๆมาจุ่มในน้ําธรรมดาเนี่ยที่คนนั้นบอกว่าเย็นมากพอเย็นมากก็รู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ถ้ามันทนจุ่มไปเรื่อยเนี่ยมันจะปรับฐานใหม่ ฝึกได้นะถึงแม้จะไม่ใช่เราก็ฝึกได้ขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้เพราะเขาไม่ได้มีตัวตวนอะไรวันนี้จึงต้องค่อยๆฝึกนะครับค่อยๆฝึกพอฝึกแล้วพอมาชินกับฝั่งนี้แล้วมันก็จะไม่อยากจะไปยุ่งอยากจะไปอยู่กับฝั่งนั้นมาก วันนี้สิ่งที่เราควรทำให้มากคือจงเคยคุ้นกับสติจงเคยคุ้นกับความสงบแล้วท่านจะปลอดภัยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเริ่มเปลี่ยนทางมาเคยคุ้นกับความสงบหรืออุเบกขาแทนแทนการเคลื่อนไหวด้วยการเวลาอยู่ที่ไหนรู้ลมเอาไว้มีสติเอาไว้เดินเหินหยิบจับรู้ตัวไว้ จนกระทั่งคุ้นกับตรงนี้วันหนึ่งเมื่อท่านเดินเหินหยิบจับมีสติเนี่ยผมบอกให้เลย ว, ว่าหลายคนเขาพูดกันขึ้นมาด้วยความไม่รู้เขาบอกเอยเอาแต่รู้ลมนอนในโรงพยาบาลมันมีลมที่ไหนหรอก่อนตายมันก็ไม่มีลมไม่มีลมแล้วจะจับอะไรล่ะก็ไม่มีสติเลย โอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นไปไกลกว่า น, นั้นลมแค่เป็นสื่อให้เกิดจิตอุเบกขาพอจิตเกิดเป็นอุเบกขาแล้วเนี่ยลมจะมีหรือไม่มีจิตก็เข้าสู่อุเบกขาไปแล้วจิตไปเคยคุ้นกับอุเบกขาแล้ววันไหนที่ท่านฝึกจนกระทั่งมันเป็นอุเบกขาเนี่ยท่านจะรู้ลมหรือไม่รู้ลมเนี่ยมันอยู่ที่อุเบกขาตลอด เมื่อมันอยู่ที่อุเบกขาทันทีที่มันเกิดความทุกข์มันจะเหมือนกับการเอามือออกจากกระมังน้ําธรรมดาไปจุ่มในน้ําอุ่นมันจะชักออกตรงนี้แหละที่สติมันจะเข้ามาระลึกแล้วท่านจะกระเด้งกลับมาอยู่กับอุเบกขาอีกถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่จะตกนรกได้ยังไงจะลงอบายได้ยังไงเพราะทันทีที่ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเห็นในวันสุดท้ายในอีกสองคืนเรื่องของจิตดวงสุดท้าย ทันทีที่ความทุกข์กำลังเกิดขึ้นจากการคิดก็ดีจากความโลภก็ดีหรือความโกรธก็ดีมันจะเหมือนกับคนที่เคยจุ่มอยู่ในน้ำทำเวลาแล้วไปจุ่มอยู่ในน้ำร้อนมันจะชักมือออกทันทีสติมันจะระลึกตอนนั้นเมื่อสติระลึกปับ๊บมันจะกลับเข้าสู่อุเบกขาก็เหมือนอินทรีย์ภาวนาชื้อเลิอดนั่นแหละท่านจะปลอดภัยทันทีแต่หากวันนี้ท่านปล่อยให้จิตเนี่ยเคยคุ้นกับความเคลื่อนไหวตลอดเวลาวันที่มันร้อนขึ้นอีกหน่อย หรืออุ่นลงอีกหน่อยท่านจะไม่รู้เลยจะไม่มีอะไรมาเตือนเลยถึงวันนั้นจะอันตรายมากเพราะว่าภูมิที่ท่านจะไปต่อมันจะเป็นอุณหภูมิเดียวกับที่ท่านอยู่ปัจจุบันถ้าท่านเป็นคนดีมีศีลห้ามันก็ปลอดภัยท่านก็ไม่จะไม่เคยคุ้นกับความทุกข์อีกแบบหนึง่งความทุกข์แบบที่พวกโลภโทสะโมหะเขาชอบทา แต่มันก็ยังเสี่ยงเพราะว่าคนดีทั้งหลายก็ยังเป็นทุกข์คนที่มีศีลห้าบริบูรณ์ไม่ใช่มีทุกข์นะท่านก็รู้อยู่แล้วสมมติว่าท่านเป็นคนที่มีศีลห้าบริบูรณ์ลูกทะเลาะกันที่ทำงานมีปัญหามันก็ทุกข์ทำนั้นเป็นศีลห้าเนี่ยจัดการทุกข์หยาบหยาบได้ แต่เขายังไม่ได้เข้าไปจัดการกับระดับจิตใจเพราะว่าศีลดูแลแค่กายกับวาจาเท่านั้นเองจิตใจยังไม่มีการแตะเลยที่บอกว่าทุกศาสนาก็เหมือนกันนั่นแหละสอนให้คนเป็นคนดีถ้าเอาแค่กายกับวาจาก็เหมือนเหมือนกันแต่ต่างกันตรงศีนในทุกๆศาสนาเนี่ยเป็นการถือเอาไว้ตามกฎเกณฑ์แต่ในอริยมรรคเนี่ยในศีลในมรรคเนี่ยมาจากปัญญาที่เห็นรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์ จึงมาเกิดดำริชอบดำริอันถูกต้องแล้วจึงเกิดเป็นศีลศีลในมัดจึงมามีเชื่อมาจากปัญญาแล้วมีความตั้งมั่นจากสมาธิจนกระทั่งพ้นขึ้นไปจึงเรียกว่าอาธิศีลเป็นศีลที่ไม่ด่างไม่พ้อยไม่ทะลุอีกเผลอยังไงก็ไม่มีวันทําผิดเพราะฉะนั้นแค่ศีลอย่างเดียวเราก็เหนือไปจนหลุดแล้ว ยังไม่พูดถึงว่าในทุกศาสนาไม่มีศาสนาไหนเลยที่เข้าไปจัดการกับระดับจิตยกเว้นศาสนาพุทธมีมรรคองค์ที่หกเเข้าไปดูแลจัดการให้เกิดตาในสมาธิและสติทั้งหลายจะค่อยๆเข้าไปจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือตันหาอุ ป, ปาทานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จัดการจนกระทั่งเริ่มเห็นและสปปรรพสิ่งเกิดดับสิ่งเกิดดับเป็นทุกข์สิ่งเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จากนั้นจึงเกิดตาปัญญาย้อนกลับไปที่ปัญญาอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นสัมมาทิฏฐิเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้หลุดพ้นนะไม่ได้เกิดสัมมาทิฏฐนะิจะเกิดสัมมาทิฏฐิคืออาศัยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในชีวิตประจำวันสิ่งพวกนี้เป็นตาในเป็นกระบวนการที่ไปสนับสนุนให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิ คนเราไม่ได้บรรลุจากการเดินจงกรมไม่ได้บรรลุจากการนั่งสมาธิแต่สองส่วนนั้นเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดปัญญาคนจึงสับสนว่าทาไมสมัยพุทธกาลเท่าที่ฟังดูไม่เห็นเดินจงกรมนั่งสมาธิเห็นบนรรลุทีมปั้งปั้ ง, ป ง, ปงไปกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังบรรลุทีมแปดหมื่นสี่พันคนพร้อมกันนั่งฟังธรรมพระเจ้าอยู่ บรรลุได้ยังไงเพราะฐานของศีลบริบูรณ์เขาไม่ต้องเนคขาม่าเอาจากกามเพราะว่าการมาคุณในช่วงนั้นน้อยมากพูะเจ้าเคยตัดเอาไว้ว่ามนุษย์ในช่วงนั้นมีเรื่องที่เกิดขึ้นในใจที่ไม่สบายใจอยู่สามอย่างหนึ่งคือวันนี้ไม่อยากกินสองวันนี้อยากกินไอ้นั่นแล้วก็สามเลยผมทำไม่ได้ เ, เคอยคือเรื่องที่ไม่สบายใจมีแค่นี้เองแต่วันนี้เรื่องที่เราไม่สบายใจนอกจากเรื่องเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราไปเสพติดเอก็กทีวีเสียงเพลงอินเทอร์เน็ตการกระตุ้นเล้าเกมสารพัดเรื่องเลยที่มันผูกเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้การถอดถอนมันจึงเยอะมากมันต้องใช้กําลังสูงมากเพื่อจะกลับมาอยู่ในระดับปกติเพราะเราโดนกระชากลงไปต่ํากว่าระดับปกติ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งหลังจากฟังผมบรรยายเรื่องอรอยิยมรรคมีองค์แปดจบและเริ่มเห็นภาพทุกอย่างเลยว่าการเข้าถึงมรรคนิพพานคืออะไรเขาบอกขึ้นมาเลยว่าพวกเรานี้พูดกันตรงไปตรงมาเลยนะพวกเรานี้สวยจริงๆที่เกิดมาในสมัยที่ทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกแบบนี้พวกเราเข้าไปหลงติดโดยไม่รู้ตัวเลย ยามมายาบ้ามันอย่างดีมันประกาศตัวเป็นยาเสพติดอทีวีจอแบน์ทั้งหลายมันไม่ประกาศเยเครื่องเสียงที่เลิศวิจิตพิสดารเสียงออกมาหกสิบสี่บิตมันไม่ประกาศตัวแต่ทุกคนเข้าไปหลงติดกันหนึกหนักหมดรถจะเอารุ่นไหนมันพราวเพลิดไปหมดเลยตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเราพาให้เราหลงเยิ้มติดไปหมดเลย ไม่ติดมาอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงก็ไม่เห็นเป็นอะไรลองอยู่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยเรอ <c oughs> สองเดือนเนี่ยโอ้โหชักเริ่มคิดถึงไอ้นั่นไอ้นี่แล้ว <c oughs> เหมือนมีลงุงคนหนึ่งมาเบรกไปที่ไหนออกไปสูบบุหรี่ทุกทีลุงติดบุหรี่เอ่ะไม่ติดอาจารย์ไม่ติดหรอกดูดมายี่สิบปีแล้วถ้าติดติดไปนานแล้ว อจริงงงลุงไม่รู้ผมงงหรือลุงงงถ้าติดติดเปนนานแล้วนี่ติดยังไม่รู้เลยเพิ่งวันนี้ในเมื่อมันหนึบหนับไปหมดผู้มีปัญญาก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะเอายังไงกับมันหลายคนก็บอกว่าฉันเลิกไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กับมันก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเนี้ย ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าการถอดถอนเนี่ยมันมีสองวิธีแต่ไปจบที่วิธีเดียวกันเพราะที่ติดจริงๆมันคือใจมันคือจิตพระเจ้าถึงบอกว่าการจะถอนสิ่งต่างๆเนี่ยให้ถอนที่ฉันทราคะคือความยินดีพอใจที่เป็นราคะในสิ่งนั้นแต่การถอนที่ฉันทราคะเนี่ยมันก็จะมีวิธีการถอนอยู่สองอย่างหนึ่งคือคนต้องอยู่กับสิ่งนั้น สองคือคนที่พาคออกมาจากสิ่งนั้นมันซะเลยถ้าคนติดยาเสพติดคนนึงเดินเข้าถ้ากระบอกแล้วก็ตั้งน้าตั้งตาเลิกทิ้งยาเสพติดเลยท่านคิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้แต่กับอีกคนหนึ่งต้องอยู่กับยาเสพติดแล้วปากก็บอกว่าจะเลิกยาเสพติดแล้วก็อยู่กับยาเสพติดอยู่กับสองสังคมที่คนเสพยากันหมดเหมือนคนจะเลิก ยาบ้าแต่เพื่อนๆ เ, เสพยาบ้ากันหมดแล้วตัวเองก็โดนเข้าไปบ้างบางวันเพื่อนก็มายื่นให้บ้างเดินไปหยิบเองบ้างเพราะมันหาง่ายท่านคิดว่าคนที่เดินเข้าถ้ากระบอกไปซะเลยเนี่ยกับคนที่ยังต้องเวียนวนอยู่ในกลุ่มยาเสพติดเนี่ยใครจะเลิกยาได้ง่ายกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นความจริงตามนี้จะรู้เลยว่าตกลงพระกับฆราวาสใครถึงนิพพานง่ายกว่ากันไม่ได้บอกว่าใครจะถึงนะ่ ถามแค่ว่าใครถึงง่ายกว่ากันเพราะการถึงเนี่ยพระเจา้าตรัสไว้เลยว่าผู้ที่ถึงนิพพานมีน้อยนะเพราะมันอาศัยกระบวนการที่เยอะที่ต้องแยบคายมากเอาว่าในสองเพศเนี่ยใครถึงง่ายกว่ากันก็พอคนเดินเข้าถ้ากระบอกนี่แหละพระนี่แหละที่มีปาฏิโมกข์ที่มีศีลมากมายจัดการไม่ให้พวกกิเลสหยาบ เข้ามาถึงตัวอะไรอะไรก็เป็นสถานที่อกโครจรไปหมดทีนี้กลับมาที่พวกเราคารวาสเลยปัญญาชนทั้งหลายหากจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางการพ้นทุกข์ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้ปัญญาเพราะว่าท่านต้องบริหารภายใต้ข้อจำกัดที่เยอะมากทั้งลูกเมียทรัพย์สิน งานแล้วก็เครื่องร้อยรัทธอีกเต็มไปหมดมันดึบหนับไปหมดเลยเหมือนคนตกลงไปในถังน้ำมันเครื่องเลยแล้วก็ต้องทําความสะอาดตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่ในถังมันจึงไม่หมูเลยงานนี้แต่ก็ไม่ใช่ทําไม่ได้หากทางที่พระเข้าสู่มรรผลนิพพานอยู่บนซูเปอร์เฮเวเนี่ยคารวาสเนี่ยวิ่งอยู่บนออฟโรดเลยไม่มีถนนะ เนั้นคนที่วิ่งบนออฟโรดนี่ต้องใช้ความก ล, วกล้ า, าหารแล้วก็เด็ดเดี่ยวมากนะเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายด้วยกันออฟโรดไม่ใช่วิ่งไม่ถึงถึงแน่แต่ปัญหาอยู่ที่คนขับอย่าท้อใจซะก่อนแล้วกันเพราะมันกระแทกมันกระชากตลอดมันไม่มีอะไรสมูทเลยจนกว่าจะถึงขึ้นไปถึงระดับหนึ่งนะครับก็ให้ท่านเห็นภาพก่อน อาจจะพูดว่าโอ้โหลำบากขนาดนี้เลยกลับดีกว่ามั้งนะนกลับโดนแบ็คลิสนะคือรวบขูแล้วอยู่ไปเถอะทนอยู่ไปมีแต่ได้ไม่มีเสียเดี๋ยวพอพ้นวันนี้ทางมันจะสว่างครับยังไงวันนี้ก็ต้องให้เห็นโทษภัยไม่เห็นโทษภัยใครจะไปล่ะฉันก็สบายดีสบายทุกชาติเลย อย่าว่าทุกชาติเลยเอาแค่ชาตินี้ก็ไม่รอดเดินไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งดูซิจะยังยิ้มไหมดูซิเงินที่หามาได้จะเป็นยังไงผมเจอมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินหลายพันล้านเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขามีแฟนคนหนึ่งรักมากเลยมีความสุขที่สุดเลยที่ได้อยู่กับแฟนคนนี้ จนกระทั่งวันหนึ่งเขารู้ว่าแฟนที่เขารักมากเนี่ยเป็นเอดใจเขาหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยทีนี้อย่ามาพูดถึงเรื่องแฟนเลยเริ่มคิดถึงตัวเองทันทีเลยชิบหายแล้วกูไม่กล้าไปตรวจตอนนั้นเขารู้สึกเลยว่ากี่พันล้านที่เขามีเนี่ยถ้าโยนให้หมอแล้วหมอบอกว่า ผมรับรองว่าคุณไม่เป็นนะเขาให้หมดเลยนะเขาถึงรู้เลยว่าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยเงินไม่มีค่าเลยวันนี้เขาตั้งหน้าตั้งตาทําบุญเลยแล้วก็เข้าปฏิบัติเลยเขารู้เลยว่าเงินไม่มีค่าแม้แต่บาทเดียวเลยหมอจะเอาเท่าไหร่ถึงวันนั้นเขารู้เลยว่าหมอบอกว่าเท่าไหร่ก็ไม่เอา เพราะมันไม่เกี่ยวถ้าเจาะมาแล้วเจอเอช p อวี t พ v ิทคุณเสร็จโอ้โหนรกเลยทีนี้นี่ใช่ไหมความสุขของมนุษย์วันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าที่หามาทั้งหมดที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งหมดเหมือนของในฝันเลยไม่ผิดตามที่พระเจ้าตรัสเลยเหมือนของในฝันเหมือนพยับแดด เหมือนเกลียวขึ้นเหมือนต่อมน้ำไอ้ที่ตุม้มแล้วขึ้นมาแล้วหายเลยเมื่อวานเห็นว่ามื้อเย็นอ่ะแต่อะไรเขาไม่ได้มาพักไม่ได้ถือศีลแปดก็มีเขาหนมจีนมาเลี้ยงกันทีมงานก็มาบอกผมอาจารย์ข้างล่างมีนมจีน เลยสีนแเหรอทีแรกก็ว่าจะถือสีนแเนี่ยเพราะเขาบอกหนมจีนมันอยากกินก็ไปกินนี่ก็ไม่ได้ถือสีนแสก็ไปกินแม่ทีแรกตั้งใจแต่เดี๋ยวจะไปลองดูลองไปนั่งดูซิดูที่จิตใจจะเข้มแข็งไหมบอกทีหลังอย่าเปิดการ <c oughs> ก็มาเจออีกทีตอนจะขึ้นมาสวดมนต์ถามเป็นไงอร่อยสมคำล่ำลือไหม โอ้โหอร่อยมากนะถามว่าแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนไม่มแีแล้วนี่กำลังกินซากอยู่คนเราเนี่ยมันสร้างวิญญาณขึ้นมาเวลาทานข้าวนะสมมุติท่านไปกินอ่ะอะไรสักอย่างนนะเป็ดอะไร MK หรืออะไรก็ได้นะ ท่านเริ่มกินตั้งแต่ยังไม่จับช้อนเลยเกลืนลงไปเสร็จท่านก็ยังกินมันอยู่วิญญาณก็ยังตั้งอยู่โอ้อร่อยจริงๆนะเธอนะโอ้รานนี่ทีหลังเราต้องมากันในปากมีอาหารที่ไหนรสชาติมันถูกลิ้นอยู่แล้วเปล่าแล้วกําลังพูดอะไรอ่ะเรื่องรสชาติอาหารซากซากลอยลม พวกซากลอยลมไม่ใช่ซากในปากด้วยซากลอยลมแล้วซากในปาก เ, ากากากเคี้ยวเสร็จลองบ้วนออกมาดังดูสิแล้วตักขึ้นมาใส่ปากใหม่ก็เนี่ที่อร่อยอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ที่กำลังเคี้ยวอยู่อร่อยไม่ใช่อูู้้อร่อยมากเลยบ่วนเลยนบ้วนมาใส่จานข้างๆทุกคนเลยบนโต๊ะบ้วนกันออกให้หมดเลยดูที่มันจะขยะักขยแยงไหมแล้วเอาใหม่ตกักไอ้ที่ว่าอร่อยเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปใหม่แล้วก็เคี้ยวอีกทีถ้ายังอร่อยเอาออกมาอีก ดูซิว่าอร่อยมันอยู่ที่ไหนเอาให้มันจัดจ่ะ ก, กันไปเลยผู้เ จ, จ้าตรัสว่าสมาธิละราคะเนี่ยมันจะได้เลิกหลงไงหลายคนบอกว่าอุยอาทารย์ให้ภาวนาตอนกินข้าวมีสมาธิมันกินไม่อร่อยผมต้องพูดเองยังไม่เห็นอีกอร่อยมันอยู่ที่ไหนล่ะกินเลยได้มาลอกต่อหน้าต่อตานี่แหละมันไม่ได้แอบลอง ล อ, อยอยู่ที่ไหนพอมีสมาธิมันหายหัวไปไหนแสดงว่าเป็นสมุนโจรทั้งนั้นนะ่ะแต่เพราะว่าเราไปเสพติดยึดติดเราจึงไม่ยอมแม้แต่จะเห็นว่ามันเป็นของเกิดเกิดดับดับเป็นของปลอมยังไม่กล้าทิ้งเลยจะมาพูดอะไรที่มรรคผลนิพพานในคขมะเพื่ออะไร เพื่อให้ออกจากพวกนี้จนเห็นโทษภัยมันก็แค่ของเกิดดับและเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองเป็นของปรุงแต่งแบบหยาบๆ ย, ยังไม่มีหลืยังไม่กล้าเลยฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกให้จิตใจก ล, กล้าๆนะครับมันจะถึงเวลามันตัดมันจะได้ตัดได้ผมมักจะบอกนะวันนี้นะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านไม่มีปัญญาหรอก ตอนเนี้ปัญหามันอยู่แค่ว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้เข้ามากี่สิบกี่ร้อยคอร์สกันแล้วรู้หมดแต่อดไม่ได้สติอะไรอะไรถึงเวลาโกรธ จ, จริงก็อดไม่ได้มีคนด่าก็อดไม่ได้ขอคืนสัทีนะไม่เห็นไหมมันเห็นว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์มีคนด่าด่าเสร็จแล้วก็มีคนมากราบแล้วก็เคารพ บ, บูชา ทุสิตก็ถามว่าคนมาด่าท่านก็เห็นเป็นปกติคนมาเคารพบูชายกย่องท่านท่านก็เห็นเป็นปกติไม่เห็นท่านเป็นอะไรท่านตอบคําเดียวเลยลมปากเราเห็นเป็นลมปากมั้ยล่ะไม่เห็นเป็นเขาด่ากูพอมีกูเสียงก็เป็นของกูสิเสียงด่าของเขาเป็นของกู มีตัวตนขึ้นมาเพราะเรามีตัวตนก่อนพอมีตัวตนไอ้นุ่นก็เป็นตัวตนเสียงทั้งหมดก็ถูกยืดเป็นของเราก็เรียบร้อยเลยโดนทั้งขบวนเลยแล้วมันจะอดได้ยังไงแต่ถ้ารักสักยะทิฐิได้พระเจ้าตรัสว่าเป็นโสดาบันเนี่ยตัวตนก็ไม่มีก็เห็นแค่เสียงที่มากระทบนามธรรมาก็สันไหวคลื่นเสียงกระทบบรรยากาศกระทบหูโสดาวิญญาณไปแปลค่า ถ้ายังมีอารมณ์บ้างในตั้งแต่โซลาบันขึ้นไปก็เห็นเพียงอุปาทานในขันที่ยังยึดอยู่แต่ไม่ได้เป็นตัวตนอะไรสุดท้ายในที่สุดก็ต้องชำระแล้วก็ปล่อยออกไปแต่วันนี้มันไม่ใช่มันมีแต่อัตตามันมีแต่ตัวตนแล้วมองไม่เห็นด้วยนะครับเห็นกลับมาสังเกตกายกับใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีหกอย่างเพื่อทําให้เห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเวทนาจิตธรรมก็เช่นกัน ก็ใช้การสังเกตเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆก็จะกลับเข้าไปที่ทั้งหมดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพอ ถ, อถอนได้จนเสร็จก็เบาล้วความทุกข์หายไปหมดเหลืออีกแค่บางส่วนคืออุปาทานทุกจากตัณหาก็เบาไปก็หมดไปอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ก่อน ไม่ถึงนิพพานเพราะพัดออกนอกทางจนหลงทางก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกทุกรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่บรรลุพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพราหมณ์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 แล้วกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชครึ๊ขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชครึ๊แก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชครึ๊ไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่อโน้น แล้วจักเห็นนิคมชื่อโน้นจักเห็นสวนและป่าอันน่าสนุกจักเห็นผู้มิภาคอันน่าสนุกจักโบกขอรณีอันน่าสนุกของเมืองราชครืดดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่ง อันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้อย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชครืดได้โดยสวัสดีพร่ำเออยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชครืก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองเมืองราชครืได้โดยสวัสดี พระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจับทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นแหลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุ น, ลนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพรามในเรื่องนี้เราจะชํำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นอพอสมควรครับเปิดหนังสือหน้า3าสหกวดน้ำ ให้คุ้นค้นกับความสงบเรามานั่งเราก็ไม่ได้รอใครมันก็นั่งของมันอยู่แล้วดั่งฤทธิฤทึกขึ้นมาก็เกิดเวลารู้ว่าเวลามีอยู่แต่ไม่ยึดเวลาแต่ปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องทำ สมมติว่าวันอาทิตย์เราอยู่บ้านซักผ้าถุงบ้านทากิจทาหน้าที่เพื่อนโทรมาหาบอกว่าเออเธออยู่บ้านหรือเปล่าวันนี้เราก็บอกว่าอยู่วันนี้อยู่ทั้งวันงั้นเดี๋ยวฉันไปหานะเออเออได้ได้ไดหลังจากนั้นคุณก็กวาดบ้านถูกบ้านต่อไปแล้วก็เยิ่มเริ่มยกนาฬิกาดู เป็นระยะระยะสองชั่วโมงผ่านไปเพื่อนก็ยังไม่เห็นมาเอ๊ะทำไมยังไม่มาอีกกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าตากผ้าแล้วก็ดูนาฬิกาสามชั่วโมงแล้วยังไม่มาอีกก็เลยโทรศัพท์กลับไปอ้าวไหนเธอบอกจะมาไงเนี่ยฉันรออยู่เพื่อนก็บอกก็เธออยู่บ้านไม่ใช่เหรอ ใช่ก็ฉันอยู่บ้านางไงฉันรอเธออยู่ไงทําไมไม่มาสัทีอ่ะเอา้าก็เธออยู่บ้านไม่ใช่เหรอเธอรออะไรอะ่ะเอา้าขอล้อเธอไงเห็นเธอบอกจะมาเธอรออะไรอะ่ะเธออยู่บ้านไม่ใช่เหรอรออะไรเรารออะไรก็เรา อ, อยู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทําไมต้องทุกข์ด้วยอะ่ะ ท่านมาเจริญภาวนาจะมาก่อนใครก็ตามท่านมานั่งอยู่อย่างนี้ก็ท่านก็นั่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าท่านต้องรอใครว่าป่านนี้ใครยังไม่มาท่านจะทุกข์ทันทีเมื่อจิตไปดำริตรึกถึงเรื่องอะไรขึ้นมาถึงเรื่องเวลาก็เวลาก็จะมีนี่เป็นกรรมฐานหมวดต้นๆ น, นะครับให้เห็นความจริงเบื้องต้นก่อน เพราะมันเกิดการปรุงแต่งขึ้นในใจแต่มันไม่รู้คนถึงทุกตลอดเวลาแถมไม่รู้้วยซ้ำว่าตัวเองทุกทุกแล้วก็ยังไปโยนความผิดให้คนอื่นว่าคนอื่นทำก็ทุกมาจากเราทำเองทั้งนั้น เมื่อกี้เราได้ฟังคําของพระเจ้าเรื่องเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางพราหมณ์ก็ทูลถามท่านทางให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระพุทธเจ้าผู้บอกทางก็ยังตั้งอยู่สาวกของท่านไปถึงนิพพานกันหมดเหรอพระเจ้าก็ตอบว่า สาวกของเราแม้เราบอกสอนพรามสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุบางพวกไม่บรรลุพรามก็สงสัยว่าทําไมล่ะก็ในเมื่อทุกอย่างก็ยังอยู่ครบท่านก็จึงบอกว่าพรามพรามเป็นผู้เชี่ยวชาญในการไปเดินทางไปเมืองราชครือไม่ใช่เหรอ มีคนมาถามพราหมณ์ว่าไปยังไงพราหมณ์ก็บอกไปว่าไปถึงตรงนั้นมีสาะโบคอรณีมีสวนสนุกอละน่ารื่นรมเดินต่อไปก็จะไปถึงเมืองราชฤก์แต่มีบุรุษผู้หนึ่งเดินไปแล้วเขาก็ไม่พบแต่บุรุษอีกคนหนึ่งเดินไปก็ไปถึงเมืองราชฤก์ได้แล้วท่านจะทำยังไงล่ะพราหมณ์พ ร, พราหมณ์ก็บอกว่าเอา้าเราจะทายังไงได้ละ่ะ เราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางน่ะใครไปถึงใครไม่ถึงเราจะไปรู้ได้ยังไงพระเจ้าก็เลยบอกว่าฉันใดก็ฉันนั้นละพราหมณ์เราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นส่วนใครจะเดินถึงหรือเดินไม่ถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะแต่ละคนก็ไม่ได้สั่งสมมาบา ร, รมีมาเท่าๆกันหรือบางคนก็กำลังสั่งสมบา ร, รมีอยู่ นะครับอินทรีย์ก็ยังไม่เต็มไม่แก่กล้าปัญญามันก็ไม่เกิดการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เหมือนนักมวยที่เข้าฟิตเนสเพื่อจะกระโดดเชือกสร้างกำลังเมื่อขึ้นไปบนเวทีก็ต้องใช้ปัญญาใช้สายตาในการเอาชนะหลบหลีกคู่แข่งถามว่าการกระโดดเชือกวิดพื้นเข้าฟิตเนส ช่วยไหมช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งสนับสนุนที่ทำให้การขึ้นเวทีสามารถจัดการกับกิเลสได้แต่ตัวการกระโดดเชือกการอยู่ในยิมไม่ใช่ไม่ใช่การที่จะไปชนะคู่แข่งวันนี้จึงเกิดการเดินผิดทางแล้วก็เข้าใจผิดนึกว่าการเข้ายิมเนี่ยเป็นการ ชนะกิเลสได้แต่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เกิดปัญญาให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นผมขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง น, นะครับซึ่งก็คุ้นเคยกันดีในหลักสูตรของคุณแม่สิริในหลักสูตรของคุณแม่สิริจะมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้ปัญญาในการฟังธรรม แต่ถ้าเราสังเกตดูชื่อหลักสูตรที่คุณแม่ตั้งไวนะ้หลักสูตรพัฒนาจิตแล้วก็จบด้วยให้ถึงสันติสุขท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหลักสูตรเดินยนกลมนั่งสมาธนะิชื่อหลักสูตรคือปัญญา แต่ตัวการปฏิบัติในหลักสูตรเป็นกระบวนการเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขไม่ใช่ให้เดินจงกรมเก่งหรือว่านั่งสมาธินานแต่เป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขอะไรล่ะคือสันติสุข ก็พระนิพพานนันะเป้าหมายไม่ใช่อยู่ที่การเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่เลยนั่นไปอีกขัน้นเห็นวันนี้ทำอะไรทำอะไรอย่าเอาหน้าเข้าไปแปะให้ใกล้มันจะมองไม่เห็นภาพรวมเหมือนที่ให้นับลูกบาทเมื่อวาน เราจะกลับมาอยู่ตรงที่เรื่องของต่อเนื่องจากเมื่อคืนก่ับนะครับเรื่องของพบชาติบ้างอะไรบ้างสัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัตว์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไรฝุ่นนิดหนึ่ง ที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตัตตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตัตตพีนั้นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนัขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนําเข้าไปเทียบกับมหาปตัตตพีย่อมไม่ถึง ซึ่งการคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งสารภาคเดี่ยผมพูดให้ฟังเพราะบางคนไม่คุ้นเคยกับการฟังพุทธพจน์ฟังแล้วงงๆเนี่ยผู้จ้านั่งอยู่ต่อหน้าสาวกแล้วก็ท่านก็เอานิ้วก้อยเล็บช้อนไปที่ขี้ฝุ่นที่อยู่ตรงหน้าท่านแล้วถามสาวกว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บตถาตเนี่ยหากเทียบกับ ที่ฝุ่นทั้งโลกคือมหาปตพีเนี่ยอันไหนจะมีมากกว่ากันสาวกเขบอกโอ้โหเทียบกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะฝุ่นนิดหนึ่งที่ช้อนขึ้นมาด้วยปลายเล็บหากเทียบกับมหาปตพีเนี่ยไ ม, ไม่ถึงซึ่งกรารลาพกคือเศษเซี่ยวเลยนิดเดียวคือส่วนเซี่ยวภิกษุทั้งหลายอุปมาณีฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสัตที่เกิดกลับมา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 อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกพิภุกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคะกรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุก์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้หมายเหตุสัตว์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยสัจเดี๋ยววันนี้เราจะได้ประสบการณ์ก่อนที่จะพ้นวันนี้แล้วท่านจะยอมรับที่ตัวท่านเองว่า ท่านไม่รู้ทุกข์ท่านไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ท่านไม่รู้ความดับทุกข์และท่านก็ไม่เคยรู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์วันนี้พวกเรานึกว่าเรารู้ทุกข์แต่เปล่าพวกเราเป็นทุกข์เราไม่ได้รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์เราไม่เป็นทุกข์อธิบายยาก แต่วันนี้ท่านจะยอมรับที่ตัวเองผมถึงบอกหลักสูตรนี้ไม่ต้องมาเชื่อผมดูที่ตัวเองก็แล้วกันทุกคนจะเปลี่ยนได้หากเห็นที่ตัวเองไม่มีใครสอนใครได้ ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปได้ยากเกี่ยวกับพระองค์เองภิกษุทั้งหลายสมมุติว่ามหาปัตตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำทั่วถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกคือไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตก ลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศ ต, ตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำเต้านั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังพเจ้าตรักับิกษุ แล้วก็บอกว่าถ้าโลกใบนี้เนี่ยมีแต่น้ำอย่างเดียวไม่มีแผ่นดินเพื่อให้เห็นภาพว่าน้ำมันจะเยอะขนาดไหนมันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนมีแอกอันหนึง่งก็คือกระบอกไม้ไผ่เจาะรูเล็กๆแล้วก็ทิ้งลงไปในน้ำลมเหนือก็จะพัดมันไปทางใต้ลมใต้พัดมันไปทางเหนือตะวันออกพัดมันไปทางตะวันตกตะวันตกพัดไปทางตะวันออก ท่านต้องการสื่อให้เห็นว่าไอแอะกอันเนี่ยลอยไปอย่างอิสระเดี๋ยวก็ไปทางนู้นทางนี้ไม่ได้หยุดเลยนะครับลอยไปลอยมาไม่หยุดนี่คือสิ่งที่ต้องการสื่อให้เห็นโลกทั้งใบทะเลทั้งหมดมีไม่ไผ่อันเดียวก็บอกและเจาะรูแล้วท่านก็บอกว่ามีเต่าตาบอดตัวหนึง่งร้อยปีขึ้นมาหายใจ ห, น, หนึ่งมีเต่าแล้วท่านก็บอกด้วย ต้องตาบอดด้วยนะแล้วไม่ธรรมดาคือร้อยปีหายใจหนเดียวคือท่านจะทําให้เห็นว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆไอเต่าธรรมดาขึ้นมาหายใจก็ว่ายากแล้วนะเต่าตาบอดด้วยร้อยปีหายใจหนเดียวแล้วโอกาสที่ขึ้นมาหายใจหัวเสียบลงไปในแอกที่มีอยู่รูหนึ่งแล้วมันไม่เคยอยู่นิ่งเลยอยู่บนพื้นน้ำที่กว้างใหญ่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 ที่ท ร, รมาวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและท ร, รมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอ พึงกระทําโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงซึ่งความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิดเต่าตาบอดร้อยปีขึ้นมาหายใจ หัวเสียบก็เป็ น, นกระบอกไม้ไผ่ที่มีอยู่รูเดียวแล้วลอยไปทางไหนก็ไม่รู้ในมหาสมุทรที่โลกนี้ไม่มีแผ่นดินผมเคยพายโยคีออกไปภาวนาที่เกาะแห่งหนึ่งเรือก็วิ่งอยู่กลางทะเลผมก็บอกว่าจาอุปมาข้อนี้ได้ไหมลองมองออกไปที่ทะเลนี่สิแล้วถ้าเห็นกระบอกสักอันหนึ่ง แล้วโอกาสที่เต่ามันจะโผล่หัวก็มาโดนพอดีเรือว่าเข้าไปในกระบอกทุกคนเวลาเข้าไปอยู่กลางทะเลจริงๆที่เวงว่างจะรู้เลยว่าโอ้โหอุปมาณนี้คือเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางเลยแต่มันมีอยู่แ่ ะ, ะศูนย์จุดศูนย์ไม่กันจะไม่มีคนมานั่งอยู่ตรงนี้แต่นั่นคือโอกาสที่มนุษย์จะเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าไม่เคยพูดเล่นนะครับจํำมาไว้อย่างนะ อย่านึกว่าท่านได้อัตภาพนี้มาตลอดนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งหนึ่งในเวลาที่ยาวนานมากของท่านแล้วในเวลาที่ยาวนานต่อไปอาจจะไม่ได้อัตภาพนี้อีกท่านถึงบอกภิกษุว่าความเป็นไปได้ยากเนี่ยหนึ่งคือพวกเธอได้อัตภาพเป็นมนุษย์สองการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า สศาสน า, าลุ่งเรืองไปในโลกของสามอย่างนี้เนี่ยยากมากที่จะเกิดขึ้นบนโลกนี้แต่คําถามของท่านคือพวกเธอทั้งหลายได้ทั้งสามอย่างหมดแล้วทําไมเธอไม่รีบทําความเพียรเพื่อให้รู้ว่าโยคกรรมอันเธอพึงกระทําที่พระเจ้าหมายความคําว่าโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นรูปแบบอย่างเป็นระบบนั่นคือ มักมีองค์แปดเป็นรูปแบบเป็นระบบมักมีองค์แปดวางระบบไว้แบบทุกกระบวนการเลื่อมมาถึงเรื่องนี้แล้วท่านจะอัศจรรย์ผมว่าท่านฟังมักมีองค์แปดมาเยอะลองฟังดูให้ดีฟังให้เข้าไปถึงแก่นแล้วจะเห็นเองเลยด้วยตัวเองว่ามักมีองค์แปดเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นพระอรหันต์ได้ยังไง วันนี้วันที่สองสามสี่ห้าโอเคพ้นวันนี้ผมจะให้จิ๊กซอท่านไปวันละอันสองอัน 2, อันสองอันสามอันจนถึงวันที่สี่ผมจะเอาจิ๊กซอทั้งหมดที่ให้มาประกอบเป็นภาพทั้งหมดและผมเชื่อว่าท่านจะหมดข้อสงสัยในความยิ่งใหญ่ของพระบรมรศาสดา แล้วเห็นเลยว่าเส้นทางที่จะเดินออกจากทุกข์ชัดเจนมากที่เหลือขึ้นกับท่านผู้เจ้าเป็นแค่เพียงผู้บอกทางนะครับผมว่าสาวกทั้งหมดก็ทำได้แค่นั้นวันนี้ท่านไม่ได้แค่แค่มาบอก เป็นแบบเพียงผู้บอกทางท่านก็ยังเป็นห่วงทุกคนถ้าเราดูจากคํานี้ที่ท่านบอกสาวกเอาไว้ท่านจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าห่วงพวกเราแค่ไหนท่านสั่งสาวกเอาไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชน เพื่อความเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในเบื้องปลายพูดอะไรพูดให้จบเบื้องต้นปฏิบัติยังไงจบที่ไหนพระนิพพานจบที่ไหนการปฏิบัติธรรมจบแบบไหนให้เป็นไปพร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะ ทุกๆอย่างให้ละเอียดให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงสองบรรทัดนี้นะที่สงคัญสัตว์ทั้งหลายเป็นพวกที่มีทุดีในดวงตาแต่เล็กน้อยก็มีอยู่สัตว์พวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้รับเพราะไม่ได้ฟังธรรมโชคดีนะที่ท่านมาฟังธรรมของเดิมที่ท่านทำเอาไว้ จะค่อยๆเสื่อมหายไปเรื่อยๆถ้าท่านไม่มีโอกาสนี้ผู้เจ้าถึงได้ให้สาวกเนี่ยเดินไปเรื่อยๆอย่าหยุดจะเหน็ดจะเหนื่อยให้ทําหน้าที่นี้ไปจนตายเพราะยังมีผู้คนที่มีธุลีในดวงตาเล็กน้อยเขาต้องการพัฒนาจนกระทั่งหลุดพ้นสัตว์โลกพวกนี้ย่อมเสื่อมจากคุณที่ควรได้เพราะไม่ได้ฟังธรรม สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีเป็นแน่การเดินทางไปของสาวกก็จะพบผู้ที่สั่งสมบารมีมามีดวงตาทุลีเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นไปโอกาสถึงพร้อมเขาก็คงเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไม่พร้อมก็สั่งสมไว้เป็นกำลังเราจึงเห็นครูบาอาจารย์ไม่รู้จักเหน็ดจับเหนื่อยกันเลย วันพักไม่มีทุกคนทุกองค์ต้องหายใจในปีเอาหลวงพ่อเอี้ยนมักจะถามผมว่าเหนื่อยไหมถ้าคนอื่นถามผมก็จะยิ้มยิ้มไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อถามก็ต้องบอกว่าเหนื่อยครับเพราะสามสิบวันถ้าเป็นสามสิบวันบางวันสามสี่บรรยาย ท่านก็บอกว่าหายใจในปีนะครับหายใจในปีถ้าใครไม่เข้าใจคำว่าหายใจในปีคนเป่าปีเนเป่าให้คนอื่นฟังแต่ไม่สามารถแล้วก็เป่านีได้เขาเป่าไปแล้วก็หายใจไปเป่าไปแล้วก็หายใจไปคนอื่นเขามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้พักผ่อน แต่เราไม่ได้พักผ่อนก็ต้องอาศัยพักผ่อนเอาในการทํางานเนะบรรยายจบก็นั่งพวกเขานั่งสมาธิก็เข้าสมาธิกับพวกเขาพักผ่อนพักผ่อนจิตไปด้วยเนี่ยชาร์จไฟใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่คอมันจะแตกมันจะแหบมันจะแสบนอนคืนหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็พูดเท่าที่พูดได้ก็ทําไปได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นห่วงพวกเรามาก แม่เดสาวกท่านก็บอกให้เดินทางจากิกไปอย่าหยุดยังมีคนที่รอฟังวันหนึ่งที่ไม่มีคนรอฟังก็พูดต่อไปต่อให้เขาไม่อยากฟังก็พูดต่อไปเพราะว่าเขาได้ยินแล้วครั้งหนึ่งที่ภาษารีบุตรไปบินทบาตผ่านหน้าบ้านพราหมณ์ พรามนั่งกินข้าวพระสาลีบุตรก็ไปยืนหน้าบ้านพรามณ์ก็ไม่สนใจกินข้าวเสร็จก็เอาจานไปเก็บพระสารีบุตรก็เดินต่อไปวันต่อมาพระสารีบุตรเดินผ่านหน้าบ้านพรามอีกพรามก็นั่งกินข้าวอยู่หน้าบ้านพระสาริบุตรก็หยุดพราหมณ์ก็กินข้าวกินเสร็จแล้วก็เอาจานข้าวไปเก็บพระสารีบุตรก็เดินต่อไป วันที่สามก็แบบเดิมอีกภาษาริบุตรก็หยุดอยู่หน้าบ้านพราม์พราหมณ์ก็นั่งกินข้าวครั้งนี้พราหมณ์ชักรำคาญจึงหันไปแล้วก็ตอบว่าตะโกนด่าขอทานหัวโลนไปไกลๆเห็นแล้วมันกินข้าวไม่ลงภาษารีบุตรก็เดินต่อไป ทันทีที่กลับไปถึงวัดพระสารีบุตรก็พูดกับหมูภิกษุว่าวันนี้เราทําสําเร็จแล้วพราหมณ์สนใจเราแล้ ว, ลวพราหมณ์สนใจเราแล้ ว, ลวทําไมอ่ะพราหมณ์ด่าท่านไม่ใช่เหรอไม่ได้สนใจด่าเจด่ามาเลยคนเราพอเริ่มด่า มันต้องคอยดูพอคอยดูมันจะเห็นความจริงถ้าคนจริงเดี๋ยวพราหมณ์จะต้องเห็นสัจธรรมเมื่อพราหมณ์เห็นสัจธรรมพราหมณ์จะมีโอกาสบรรลุเมื่อเข้ามานั่งใกล้ได้ฟังธรรมพราหมณ์จะบรรลุธรรมประโยชน์เกิดขึ้นที่ภาษารีบุตรหรือเกิดขึ้นที่พราหมณ์ ราสาริบุถูกดา่าแต่พราหมณ์อาจจะมีโอกาสบรรลุธรรมในวันข้างหน้านี่แหละความเมตตาของสา ว, วกทั้งหลาย ล, ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรม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 ภิกษุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทาโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้ว ย่อมเข้าไปหาพูดถึงอริยสัจ ต, ต้องมีศรัทธาก่อนแล้วเข้าไปหาพูดถึงอริยสัจก็คือตั้งแต่พระอรหันต์อนาคามีพระสกิทาคามีแล้วก็พระโสดาบันคือผู้เข้าถึงอริยสัจเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับผู้เงี่ยโสดลงสดับ ย่อมได้ฟังทำค ร, รัร้นฟังแล้วย่อมทรงจำทำไว้ย่อมใคร้ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร้ครวนพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่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 มันเริ่มจากมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้พอได้ยินได้ฟังก็เงียบสนลงสดับนะครับค่อยๆพิจารณาธรรมนั้นอย่างท่านมาถึงรู้ลมรู้ลมไปทาไมก็ได้ยินแล้วหลังจากนั้นก็ทดลองไปรู้ลมเริ่มมาพิจารณาในธรรมอเออทุกดับจริงๆก็เริ่มพอได้ยินก็ลองไปพิจารณาไข้ครวรจริงเปล่าไหนลองดิ พอกำลังคิดปรับกลับมารู้ลมเออมันดับจริงคิดภาพกลับมารู้ลมเออดับจริงเลพอรู้บ่อยๆรู้ไปบยเออใจก็สงบเนาะเนี่ยใครควรในธรรมหลังจากนั้นฉันทะก็เริ่มเกิดโอ้มันจริงแท้อย่างนี้นี่เองก็เริ่มเกิดฉันทะย่อมมีอุตสาหะหลังจากนั้นเอ๊ะเริ่ ม, มันจะทํำยังไงเริ่มหาสมดุลแห่งธรรมหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่มันตึงไปมันเพ่งไป พอผ่อนก็หลวมพอตึงก็เครียดก็ต้องหาสมดุลแห่งธรรมนะรตั้งตนไว้ในธรรมหลังจากนั้นก็ปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆจนรู้แจ้งในธรรมนั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินก็เริ่มจากศรัทธาแล้วก็ภาวนาให้เกิดฉันทะแล้วก็เกิดวายามะเกิดอุตสาหานะไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้แจ้ง เอาละเดี๋ยวเราถึงเวลารับประทานอาหารเราจะมาดูสวดธาตุปัจเวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูไปด้วยกันก่นอนที่จะสวดเราจะมาดูเนื้อความกันสักนิดหนึ่งให้ท่านเปิดหนังสือหลังหน้าหลังอนะครับเพราะบนจออาจจะมองไม่ค่อยชัดท่านก็ดูจากตัวหนังสือไปเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านเห็น การสวดทาตุปัจเวกเนี่ยถ้าหากเราสวดแล้วเราอ่านไปที่ตัวภาษาไทยเนี่ยสังเกตดูว่าเราจะต้องคิดตามเราจะต้องพยายามทำความเข้าใจว่าคำเหล่านี้หมายถึงอะไร มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของเราเยอะแยะเลยนั่นแปลว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ในมุมที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหากพระอรหันต์สวดทาตุปจเวกท่านไม่ต้องคิดเลยเพราะว่าท่านเห็นสิ่งนี้ทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดเลยท่านเกิดความเห็นที่ถูกต้อง อยู่ในมุมมองที่ถูกต้องวันนี้ที่เราสวดความจริงไม่ได้ถึงกับให้เราคิดตามแต่ว่าให้เราเห็นเลยว่าในมุมมองที่ถูกต้องเนี่ยคนก็เห็นอะไรกันลองสวดดูนะครับอย่างเช่นสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักวะท่าตามธรรมชาติเราไม่ได้เห็นเราเห็นเป็นไข่เจียวเราเห็นเป็นแกงจืดเราเห็นเป็นผัดผัก แล้วเราก็เห็นว่าผัดผักนี่เราชอบแกงจืดที่จืดเกินไปฉันชอบแกงเผ็ดคือมันจะเห็นกระบวนการปรุงแต่งที่เป็นบรรยัญญติทั้งหมดมันไม่ได้กลับไปที่ดินน้ำไฟลมโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเรามาะจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้มีสติรู้รูปนามอันนี้เป็นรูปอันนี้เป็นนามไม่ใช่ท่านไม่ได้เห็นรูปนามพอท่านเห็นใครก็ทำ สมมติามีคนเอลืมปิดโทรศัพท์มันดังขึ้นมาท่านเห็นเหรอรูปที่มากระทบนามธทําสั่นไว้ไม่ท่านด่าพวดมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบอัตโนมัติต่อคนนั้นเลยคนที่ไม่มีมารยาทเลยเขาสาวบอกไม่รู้กี่ทีไม่รู้จะปิดโทรศัพท์มันขึ้นมาเลยทันทีนี่ยเป็นวิชาทิฐิที่สั่งสมมาที่เขาเรียกว่าสัญชาตญาณสัญชาตญาณฟังก็ไม่รู้เรื่องอีก อ่ะแปลเป็นภาษาให้เราเข้าใจคือการตอบสนองแบบอัตโนมัติในทางอากุศลคือตอบสนองปังๆเลยคือไม่ต้องคิดเลยได้ยินเสียงคนบน่นปั๊บขึ้นเลยหรือว่านั่งๆอยู่มีคนไอปั๊บรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเราเป็นคนดีเป็นคนดีแค่เสียงมากระทบไปหมดเลยเพราะเราให้ค่าเป็นทุกอย่าง วันนี้มันจะมาถอดถอนให้กลับไปเป็นรูปนามจริงๆมันจึงต้องเสียเวลาแล้วก็ใช้เวลามากมันต้องใช้เวลาให้สติเข้าไปยัดตรงกลางเพื่อให้มันขาดจากช่วงเวลาไม่งั้นมันจะเดินไปตามสัญชาตญาณหมดชีวิตของทุกคนใช้สัญชาตญาณเป็นหลักแต่สติมันจะเข้าไปขวางเพื่อให้สัญชาตญาณการดำเนินชีวิตี่มันขาดจะได้มีเวลาที่จะดูว่าอันนี้เป็นกุศลหรื อ, ออกุศล ถ้าอากุศลผู้เจ้าให้คัดออกแล้วฝึกมันใหม่ฝึกขันนี้ใหม่ให้เอาอากุศลออกทั้งกายวาจาแล้วก็ใจเมื่ออกุศลออกไปจนเบาบางตอนนั้นจิตจะตั้งมั่นมากมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกันหมดนะครับกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คือบินทบาทและคนผู้บริโภคบินทบาทเป็นสิ่งสิ่งหนึ่ง ผู้บริโภคก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งว่างจากตัวตนกันหมดนะครับแต่ไม่ใช่ฉันกําลังหิวฉันอยากกินกล้วยส้มผัดผักอันนี้ไม่ใช่นี่เป็นอาหารบินทบาทกับคนผู้บริโภคบินทบาทม่ได้เป็นสัตว์่าอันยั่งยืนอุยมีหมูทอดด้วยที่ไหนหมูทอดอ็ น, นี่ไงหมู ถ้าหมูวิ่งได้ถ้าหมูวิ่งได้มีได้เป็นสัตว์วอันยั่งยืนหลายคนพอดูกฎแห่งกรรมเมื่อคืนเห็นการฆ่ามาถามผมว่าตกลงเราต้องกินมังสวิรัตใช่ไหมเพื่อไม่มีเวรมีกรรมเรื่องอย่างนี้ผมเคยตอบข้างนอกแล้วปัญหาเยอะเลย พ่อภูมิจิตไม่ถึงด้วยแล้วก็ใช้ความคิดของกูเป็นหลักนี่ต่อวันที่สองก็เสี่ยงจะลองดูละกันผมถามว่าถ้าท่านอยู่ในป่าท่านเดินในป่าแล้วเจอกวางตายตัวนึง่งแล้วท่านแล่เนื้อกวางมาปิ้งกินถามว่าบาปไหมบาปไหมครับไม่บาปเพราะ มันตายแล้วท่านไปซื้อไอชิ้นชิ้นอย่างเนี้ยที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดสดตอนท่านซื้อเนี่ยมันวิ่งอยู่เหรอเขาเอาซากสัตว์มาขายนะท่านซื้อซากมากิน อ้าวแต่ทั้งโลกก็จะตอไปอีกมันเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายนะคือถ้าเราไม่กินมันก็ไม่ค่าตรงเนี้ยที่มันเริ่มปรุงต่อไปเรื่อยๆแล้วฟังคำของผู้เจ้าที่ตัดไว้กับภิกษุถ้าสัตว์นั้นเขาเจตนาฆ่าเพื่อเธออย่าฉัน พูดง่ายๆคือถ้าไม่รู้เห็นที่มามีผู้คนเอามาใส่บาตก็มันศักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติถ้าไม่ดํำริตริตรึกรูปนี้ขึ้นมาธาตุดินนี้ขึ้นมาว่ามันเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรล่ะกับการที่กินเจแต่ปั้นเป็นไก่ปั้นเป็นหมูแดง แล้วไปดำริขึ้นมาเป็นหมูแดงโอเคในส่วนของความจริงไม่ได้ทำให้บาปหรอกแต่ในส่วนของกระบวนการของอุปาทานในขันเนี่ยไปเติมราคานุใสไปเติมอวิชชานุใสเข้าไปเติมเชื่อให้จิตโง่เพิ่มขึ้นไปอีกกินเพราะคิดว่ามันเป็นหมูแดงกับคนที่กินหมูแดง แต่เห็นมันเป็นาธาตุถ้าทําท่าจะแย่ต่างกันนั้นนะ่ะคนกินหมูแดงแต่เห็นมันเป็นาธาตุกับคนกินเจนแต่คิดว่ามันเป็นหมูแดงผมไม่ได้ว่าอะไรนะเดี๋ยวซีดีนี้ออกไปโดนถลม่มอีกเวลาจะกลับมาเนี่ยปฏิบัติแล้วเข้ามาเห็นธรรมะชั้นลึกๆหน่อยนะครับยอมรับความจริงเขาบอกเ อ, อเขาฆ่าเขาเพราะเราไง ผมบอกว่าพูดผิดพูดใหม่ได้นะคุณรู้ว่าคุณแน่ใจหรือเขาฆ่าเพื่อเราผมเคยเห็นแต่เขาฆ่าเพื่อเงินเขาฆ่าเพื่อเงินไม่ได้ฆ่าเพื่อเราลองเขาไม่ได้เงินดูสิเขาจะฆ่าไหมเขาฆ่าเพราะเขาอยากรวยเขาอยากได้เงินอย่ามาอ้างเราอของดให้มันขาดเป็นตอนตอนบ้าง ให้มันรู้จักจบจบจบจบจบเป็นท่อนอภิธรรมมันต้องจบจบจบจบจบจบอริยสัจจบมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับมันเป็นตอนตอนตอนตอนเกิดและดับเกิดและดับเป็นช่วงนะครับอย่าลากทีเดียวแล้วเอาความคิดกูไปแต่งไม่ได้เป็นสัตวะาอันยั่งยืนไม่ได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน สิ่งทั้งหลายนะี่ยมันว่างเปร่าจากความหมายมันตัวตน <c oughs> ก็คือพอเห็นถึงความเป็นอนัตตาแล้วก็สุญญตานะก็เห็นสุญญตาก็ว่างมันไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรมันว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนมันมีในไม่มีมันไม่มีในมีนะครับจะว่ามีไหมมีแต่มันก็ไม่มีแต่ก็มีนั่นแหละครั้นมาถูกเข้ากับอ่าไม่ใช่ของน่าเกลียด มาแต่เดิมขั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันสวดไปก็เห็นความจริงไปสวดไปก็เห็นความจริงไปนะเดี๋ยวเรามาสวดพร้อมกันเดี๋ยวจะได้ลงไปรับประทานอาหาร